ผู้เป็นที่รักของสัตรบรุตรข้าพุทธภาสิกผู้ได้โอวาตสั่งสอนห้ามจากอากุศลกรรมคือความชั่วผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของสัตรบรุตรแต่ไม่เป็นที่รักของอสัตบุต ร, รอธิบายความสัตรบุรุษคือคนดีย่อมพอใจในโอวาทอนุสาของผู้หวังดีต่อตนไม่อิ่มไม่เบือ่อเหมือนมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำเขาพอใจในคำสุภาษิตใครห้ามจากความชั่วได้ รับความนิยมนับถือจากเขาเสมือนพี่ชายมารดาบิดาหรือญาติที่สนิทแต่อัศตรบรษคือคนชั่วย่อมไม่พอใจในโอวาทหรืออนุสา์เช่นนั้นคําสั่งสอนตักเตือนของบัณฑิตเมื่อตกไปถึงเขาแล้วเป็นเสมือนตกลงไปในหินหามีการดูดซึมแต่ประการดใดไม่นอกจากนี้เขายังจะโกรธเคืองคนที่ตักเตือนด้วยความหวังดีเสียอีกเขาอาจกระด้างเพราะมีทรัพย์เพราะถือตนว่ามีความรู้เป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่ควรที่ใครจะพึงว่ากล่าวตักเตือนเขาเขาทำตนเสมือนคนหนวกต่อคำตักเตือนของผู้หวังดีมีลักษณะโง่แกมยิงประกอบด้วยมานะคือความทนงตนและมักขะคือการลบหลู่คุณของผู้มีคุณอยู่ในนิสัยสันดานคนเช่นนี้ย่อมจักต้องปรากฏด้วยคำของตนเองหาความสุขความเจริญได้ยากพระอธกถาาจารย์อธิบายความแตกต่างของคาว่าโอวาตและอนุสาสไว้ดังนี้ เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นจึงกล่าวสอนเรียกว่าโอวาทเมื่อยังไม่มีเรื่องอะไรแต่กล่าวสอนเพื่อให้รู้ว่าอะไรคนเว้นอะไรคนทำเรียกว่าอนุศาสตร์เป็นการชี้โทษชี้คุณให้เห็นเป็นการป้องกันไว้ก่อนกล่าวต่อหน้าเรียกโอวาดสรงศาสตร์ไปเรียกอนุศาสตร์กล่าวคราวเดียวเรียกโอวาดกล่าวบ่อยๆพร่ำสอนเรียกอนุศาสตร์ทั้งโอวาดและอนุศาสตร์มีความจำเป็นมากสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ การปลูกฝังลูกหรือลูกศิษย์ให้ดีพ่อแม่จะต้องมันตักเตือนสั่งสอนชี้โทษชี้คุณของการกระทําต่างๆปราศจากหลักอันนี้เสร็จแล้วพ่อแม่ย่อมไม่ได้รับความนับถือจากลูกครูอาจารย์ไม่ได้รับความเคารพยนเกรงจากศิษย์ครูที่เป็นเสมือนเรือจ้างก็คือครูที่สอนแต่วิชาอย่างเดียวแต่ครูที่ปลูกฝังศิษย์ให้เป็นคนดีและมีวิชาความรู้ด้วยนั้นกลายเป็นปูชนิยบุคคลของศิษย์พระคุณของครูเช่นนี้ ยอมสถิตสถาพรอยู่ในใจของสิทธิ์จนชีวิตหาไม่พ่อแม่ต้องไม่กลัวลูกจะโกรธครูอาจารย์ต้องไม่กลัวสิทธิ์จะชังต้องพยายามทำหน้าที่ของตนไปจนสุดสามารถควรให้อว่าสั่งสอนอย่างไรก็ทําอย่างนั้นควรลงโทษหรือให้รางวัลก็ทําอย่างนั้นตามควรแก่กรณีแม้ลูกหรือสิทธิ์อาจไม่ค่อยพอใจในวันนี้เพราะมิได้ประพฤติอะไรตามใจชอบแต่เขาจะต้องรักในวันหน้าเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้น และระลึกถึงเรื่องเก่าๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เขาต้องรับผิดชอบเข้าบา้านเมื่อบุคคลเป็นผู้ใหญ่ขึ้นย่อมจะต้องใครครวญย้อนหลังอยู่เสมอว่าตนได้รับสิ่งใดจากใครมาบ้างอันกลายมาเป็นความรู้ความสามารถความดีงามอันตนได้เห็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเขาพิจารณาเห็นแล้วย่อมนอบน้อมบูชาคุณของผู้ที่ได้ปลูกฝังตนมาด้วยความเหนื่อยยากลําบากการลงทุนอบรมสั่งสอนคนปลูกฝังโลกหรือศิษ จึงไม่เหนื่อยเปล่านอกจากเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองแล้วยังจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมคือประเทศชาติอีกด้วยคนผานเท่านั้นที่เกรดชางบัณฑิตผู้ให้อว่าสั่งสอนด้วยความหวังดีดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุอสัชิและปุณณะพระสุกะภิกษุทั้งสองรูปนี้เป็นสัตว์ที่วิหาริกคือสิทธิบวชของพระอัครส า, าวกคือพระสารีบุตรและพระมหาโมโหคลานะ แต่เธอทั้งสองเป็นอ阿拉ชีคือไม่มีอย่างอายในการทําชั่วเมื่อเธออยู่ที่กีตาคิริวิหารมีพิโสห้าร้อยรูปเป็นบริวารล้วนจะมีนิสัยชั่วช้าลามกทั้งสิน้นกระทําอนาจารหลายอย่างคือความประพฤติอันไม่ควรความประพฤติลามกเช่นผูกต้นไม้กระถั ง, งเองบ้างใช้ให้เขาปลูกบ้างได้ทําการประทุษร้ายตระกูลคือประจบเครือขัดโดยวิธีการต่างๆ เลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่ได้มันจกความประเภทนั้นอาวาสนั้นจึงไม่เหมาะที่จะเป็นที่พรนักของภิกษุผู้มีศีลทําอาวาสให้เป็นที่อยู่ของพระอรชีพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงทราบข่าวนั้นแล้วทรงให้เรียกพระอ克拉สาวกทั้งสองมาเฝ้าตรัสว่าสารีบุตรและโมคลานะเธอจงไปยังกิตาคิรีวิหารจงให้อว่าสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นพวกใดไม่เชื่อฟังจงทําปพาชนิยกรรม คือไล่ออกจากหมณนะแกเธอพวกใดเชื่อฟังจงรับไว้ให้ว่าพร่มสอนต่อไปผู้กล่าวสั่งสอนก็ไม่เป็นที่รักของผานแต่เป็นที่รักที่ปรารถนาของบัณดิตดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโอวาเดยะนุซาเซยะเป็นอาธิมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นฝ่ายพระสารีบุตรและพระมหาโมฆลานะไปที่กีตาชิรีอบรมสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นอยู่บางพวก ยอมรับโอวาตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหม่บางพวกร้อนใจสึกเสียบางพวกถูกทำปรับภาชนียกรรม